เรื่องพระฉับ พ, พัก ค, คีสะสมโลหะและทองสำริษสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พัก ค, คีสะสมโลหะทองสำริษไว้เป็นจำนวนมากคนทั้งหลายไปเที่ยวชมวิหารพบเห็นจึงตำหนิประนามโพนทนาว่า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 ไม่พึงสะสมโลหะทองสำริดไว้เป็นจำนวนมากรูปใดสะสมต้องอาบัตทุกกฏ